ถ้ามันบรืมโตมันบ่ได้เกิดมันนั่งอยู่นี่หรอกมันบ่กล้วถ้าเกิดมานั่งอยู่นี่พอรื้มโตมันไหลศาสตร์นี่นได้เกิดมาถ้าเห้ามีความรลุดตื่นเบิกบานปีนนี้เขาก็มดเกลียดอสวะบ่ได้มาเวียนไว่ายไตเกิดรับวิบากขันอันนี้หรอกบ่ได้มาเวียนไว่ายไตเกิดรับวิบากไตหลักอันนี้จังทุกขังอันนี้หรอกลืล้มโตแล้วก็รัแล้ว น, นั่นให้จำมาไว้เดอ้อว่าร่างกายสังขารมันเป็นทุกข์มื่อวัน นางคนหนึ่งเราเป็นคนฝรั่งเนาะคนฝรั่งพอกสร้างคิดก็บอกเป็นอาศัยไม่ออกเคนแปลเก่งๆหลวงพ่อจะอธิบายคําวัตถุให้เราเข้าใจแล้วเข้าใจบุได้หลวงพ่อว่าเออเจ้าแบกมือมาบุงด้หลวงพ่อก็ยิบหินมาก่อนเนาะหพอก็ว่างแปะไปอืสมมุติว่าหินอยู่ในมือเจ้านี่คือความทุกข์เจ้าถิ่มเป็นบอกเหตุยังไงสมมุติว่าหินอยู่ในฝามือเจ้านี่ความทุกข์ก้อนนึงเนี่ย เจ้าทิมเป็นวะเห้ยยังไงต้องขมมึงดูวนั <t> ่นเจ้าที่บูเป็นนั่น่ะพองุ้มป๊อปแล้กลับไป๊อปเลยน่นะเออสันชติยะนั่นวะนั่นนั่นนั่นเจ้ากําทุกเอาไว้ดินะทุกเจ้าบู้ป่อยเป็นป่อยบเป็นนออเจ้าคมไม่ด้วยญาติญานั่นะญาติเจ้าญาติทุกข์มเจเมิดเป็นวะทุกข์นเลยอยู่กับเจ้าตลอดพวกคนชื่อมันกไปแลยมันบะเออ มัดก็เลยเกลียดโลดอ่ะ น, นะตาตื่นโอกออกเลยเน่ยโอ้แมนอี๋แต่ลอดชีดผู้คา่ากรรมทุกข์เอาไว้พ่ะนะทุกข์มันเอาทิม ง, ง่ายๆหนึ่งพระด็นเรื่องคนมันบริสตี้ไะไปกรรทุกข์เอาไว้ตลอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเฮาอยู่ก็ทุกกินก็ทุกนอนก็ทุกจนชินก ค, คิดว่าทุกข์เป็นของเจ้าของบัดเอาทิมบริทิมก็เอาไว้ย่านบ่มีมูนะย่านบ่มีทุกข์เป็นมูย่านมีซุกเป็นมูนมปปนัอ่นะ เวลาป่อย่านี้โอ๊ยมันเบาที่นี่ทุกตัวนี่ม่นมันยังมันลูกมันผัวมันสับสมบัติมันพอมันแมียมันพีมันนองมันการมันงันติดถือว้อย่างนี้นะหัว้าดป่อยเสแล้วสมมติเราพู้ค่ามี่ขอกู้มี่สามีอ่างีี้จะป่วยอย่างนี้ได้บ่ได้เจ้ามานี่เจ้าผ้าสามีมาเจ้าอุ้มสามีมาบ่ จูแฟนเจ้ามาบดเอมาเอาไปเจ้าปล่อยเลยดิเนปล่อยไ้ใสปล่อยไ้บานพูนอ่ถ้าเจ้าหักกันจริงเจ้าก็ประกอดคอมันมากมันเอาหัวไปนโอ้แม่ดิหลีกไปง่ายนึกว่น่ตอนนี้เจ้ามีเงินบ่มีเจ้ามีเงินมานีบ่บอดเอวมาแน่เจ้าหักเงินถือเงินจะบ่มาบ่เงินอยู่ใส่อยู่ธนาคารนานแม่ล้วเจ้าวางธนาคารบุหอดเวลาใส่ เขไปกินนุ่นพอกขาเอานามมาให้มันกินขวดเนาะเจ้ากินหนามนี่มึงดูกินเนาะเป็นอยังคือเจ้าบูถือขวดไว้เพื่อไปว่างใว่ไหมเสถนะอ๋อมันเป็นธรรมดาก็นันเราทุกมดนดไปด้วยธรรมดาของมันนะเจ้าบูจักเจ้าก็ถือมันเอาไว้ใช่ดิอืมบันกินหนามเราบูว่างมันนี่มันก็ถือเฮกยังบ่ได้หรอกมันบอกถืออยู่นี่นะมันค้นปกติ้บอกมันก็ค้นบ้าเดินนะมันบอก ปกติของคนทุกคนทุกลมก็ว่างนี่ทุกลมก็ว่างอืมอย น, นั้นเฮากะอย่าไปเหตุมันยากเด้อมันจังใส่ปัญญาโน่นหนึ่งเถอะนะบหุหานแตใส่หลายใส่ปัญญาหาเงินหาทองกัยังว่าหลายโหดใส่ปัญญาหาดูก้าวหาผัวหาเมียก็ยังว่าหลายแต่ใส่ปัญญาปฏิบัติธรรมนี่ใส่พวหลายอืมแต่ใส่ให้เป็นแล้วนั่นนะ่ะน้อยเดียว เรามาเข้าเดี่ยวเราได้ธรามาไปเฉยมาบอกภาษาอังกฤษกูปเป็นแต่ไม่ออกคนนึงเป็นแฝกเก่งเข้าใจ่าเจ้าอยู่กับความขึ้นมาดนปไดไหาไมถ้าบุใส่ความคึ้อย่าไปทั้งมาหากินอย่างในครุนะว่าแล้วว่านั่นนะเจ้าใส่ความขึ้นมันเลยยากแต่พระพุทธเจ้าเพื่อนบุให้ใส่ความขึ้นเพื่อนให้ใส่ความลูกเจ้าไปยื่น หูมานจบปิยติปิยาทูปปิยาเอกมาเนี่เจ้าบัได้ใส่เนี่บัรรตริใส่ไปใส่ถึงความคิดอ๋อเราเราเลยถามอ่าความรู้กับความคิดต่างกันอย่างไรหลวงพอ่อความคิดเนี่ยมันเอามาใส่แล้วมันบจบเป็นมันคืดไปเรื่อยต่อไปจากเรื่องนั้นไปเนความคืดจบว่าเป็นแต่ความรู้หลวงพ่อถามเจ้าว่าห้าบวกห้าเป็นเท่าไหรเป็นสิบ จบวะคิดต่อไปอบะไ่ได้คืดเพน่ะเอาไปยังมันมีคําตอบมันจบไงยังว่านี่นคือความรู้ความรู้เนีน่ยมันได้คําตอบแล้วมันจบมันบอคิดต่อเอนว่าความรู้แต่ความคืดเนี่ยได้คาตอบถือพิษบอกสนใจกูคิดต่อจากเรื่องนี้กูกลับไปเรื่องนี้จากเรื่องนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกวความคืดคือกิเลสแต่ความรู้คือปัญญาตัวนี้เป็นตัวดับทุก ตัวรูปเป็นตัวดับทุกตัวคิดเป็นตัวเกิดทุกข์ผมคอยสรุปให้มันฟังสันส้นๆมันก็นเลยตื่นกันตื่นกันเวลาเจ้าไปคิดเลขเลขาคณิตคิดคณิตศาสตรเนะี่ยมมีคนอยากจะเฮียนในวิชานี่นะมันใส่ความขึ้นใส่ความรูปบาทวิชาสังคมวิชาอย่างใส่ความขึ้นไปแต่คนมากเฮี้ยนหลายมวลก็ความขึ้นนะ แต่ว่าผู้ที่ไม่ใส่ความรู้ใส่ลักคำนวนอันนั้นอันนี้นี่โอ้แต่ว่าพวกนี้ฉลาดได้พวกที่ขเขาเฮียนทางดันใส่ความรู้นี่ฉลาดพวกที่เฮี้ย้ใส่ความขึ้นนี่บุฉลาดปันใด น, น่ะพ่ออย่างมันใส่หลายโพดความขึ้นนั่นะึ้นไปบุมีสินสุดมันเสียพลังได้ไหมพลังศีลก็เสียพลังสมาธิก็เสียพลังปัญญาก็เสียใส่ความผิดหลายไม่ออกลองขึดนบังว่า เขาตักน้ำเซตุมอยู่บ้านถ้าตุ่มมันหัวเนี่ยตักใส่ชีเต็มจากเธอบอกซักใส่ตลอดชีวิตบ่เต็มแต่ถ้าตุ่มมันดีบ่หัวเน่ยตักเต็มแล้วก็คือเต็มเหมือนบ่ละพอไราใส่อีกนั่นคือความรู้มันหูวจากเต็มความคึดกับความรู้มันตัวเดียวกันแต่ว่าความขึ้นนะมันหัวเหมือนตุ่มมันซึมมันแตกมันห้าวแต่ความรู้นี่ยมันตุ่มดี โบแตกโบห้าวใส่หนาเต็มก็คือเต็มโบใดไปลําไล่ใส่อีกเนี่ยนี่คือความตาม่างระหว่างความคืดกับความหูมันตัวเดียวกันนะแต่มันภาชนะใส่เนะ่มันคนละอย่งางแต่ความหูภาชนะมันดีแต่ความคืดกับภาชนะหลับมันบดีภาชนะมันเอาอย่างรับเอาความอาวิชาตันหาอุปทานเป็นตัวรับความคืดเนนะี่ย ความคิดมีอวิชชาตันหาวัฏท่านเป็นภาชนะแต่ความรู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นตัวรองหลับมันได้ต่างกันเพราะในห้อปฏิบัตินี่มาปฏิบัติเอาความให้เกิดความรู้ด้วถ้าคิดไปนั้นโบเมนละ่ะคิดไปเราแห่งคิดแห่งพิษอืมหลายคนบุรีรับในบุรับในไ ม, ไม่แต่ไม่ออกผู้นึงบได้รับมัดขึ้นในเด็กยังไม่ออก คืนนี่รับนายบอกโอ้โหสิบสองชั่วโมงเจ้ารับได้ชั่วโมงเดี๋ยวนีนักเดี๋ววันนี้ได้วันนี้เจ้าไปนอนรับให้เต็มมือสู้แล้วสู้อีกสู้ไหวไหว้นึ่วงเลยเนาะเขาเยอะให้ยาอีแอนตี้บิวติกมาจากหลวงพ่อจากอเมริกาหลวงพ่อบุยอมกินแต่กินแล้วปัญหาเราปนินวะแอนตี้บติกพนเป็นสารเคมีหลวงพ่อไ่อยากเอาคอยใสเจ้าของ หลงพ่อยากกินนนําขิงนนําักะนาวนน่ า, นาอย่างไปจริงสิละมึงหายก็หายเมื่อหายก็แล้วไปอมึงบ่ตายกูกระตายเท่านั้นนะมวยอยู่นุ่งกันบวได้แล้วะ <c oughs> จะไปยืนหันมันไหลลงไปแค่เจ็บมันใส่มันได้ําใดก็เอาสมนั้นอ่ะก็เลยยายคนมาบอกว่าพวกโบได้หลวงพ่อต้องกินเน้ะพวกินมันโบหายทได้เลยหลวงพ่อไปคนหาเจ็บไปหายใส่เนาะก็ฉะนั้น เกิดมากมึงต้องทุกข์กับมันมาละเกิดมากกัมีโด้ไข่ไข่เจ็บติดตัวไม้สุกคนแต่ดียังพอเจ็ดปีนี่นพ่อเป็นเถื่อนึ่งเด้ในรวางเจ็ดปีนี่นบอกไปยังทํางานได้เต็มทีทํางานนั ก, กปัญใดกูไปยังแต่ฮอดเจ็ดขวบปีมาแล้วต้องเป็นอย่างไดอย่างหนึ่งแหลอะอนับไปนี่ไปอีกเจ็ดปีมันจะเป็นอีเถื่อนหนึ่งเจ็ด <c oughs> ปีขวบเถื่อนหนึ่งเป็นเถื่อนหนึ่งแต่นั้น <c oughs> นะสิบปีมันนะโอ้เก่งอ่ยปีนี้ยัยูเท่าไรเราไม่บอกอะโอ้สิเจนะ็แล้วเนะี่ เป็นพีธรรมะปีเดียวมาหกสิบหกปีนี่ยอือเพระเาะฉะนั้นบ่ลืนกันบ่ได้เนาะเก <c oughs> <c oughs> ี่ยวจะได้เป็นเซี่ยวกันเนาะจะเป็นเซียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะจะไปคิดให้ยากเลยคิดง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่เอาจริงเด้นี่คือคอยสําคัญมันมันง่ายโบเมนมากง่ยงายรรเลยง่ายโบเฮ็ดแบบเรียบง่ายเฮ็ดแบบมากง่ายในโบเมนธรร ม, นนรร ม, มะ เหตุแบบว่ามักถือต้องบรมนณรมักยากบรมเณรมักง่ายแต่มักถือต้องเหตุอย่างใดก็ตามให้มันถือต้องใช่ได้เพราพระพุทธเจ้าพูาพเอื่นว่าสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาแม้แต่โตพุทธก็สัมมาสัมพุทธะพดเดใส่สัมมาเข้าไปนี่ถือต้องมดเป็นพุทธะแต่ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะ เป็นทิฏฐิจะเป็นสทิฏฐิสังคปะก็เป็นสัมมาสังคปะสมาสติสัมมาสมาธิไปใส่สัมมาโมทโวว่าเอาหนักเาง่ายแต่เอาถูกต้องมันอาจจะหนกก็ได้มันอาจจะง่ายก็ไดมันวะเราจะเหตุปัจเจียกโมทิเขาไปเสือตอนสวยโอเคเดินพร้อมมีอยู่เจ้าพ่อใหญ่หลุยไปใส่หมุขของหลวงพ่อเมื่อวานไอ้ดีล้วเก็บเซลดังนั้นก็อย่าไปเหตุให้มันหนกเลยเหตุมันง่าย ถ้าหากว่าเขาเหตุยากเรามันจะเสียเวลาอืมเขามีความถูกมาดุดล้วเวลาให้มันซุกไอ้มันซุกอซุกตลอดนิพผานั่งปละมั่งสุกขังกันมา <c oughs> นี่เข้าใจคําว่นา น, านิพผ่านว่ะนิพผานเป็นซุกเอ้ยนิพผานมันไก่เนาะนี่ผ่านไปวันยังมึงจะทำนิพผ่านไปนว่าดับไปลว่าเย็นเหตุยังไดให้ความคึดมันดับ มันเหลือแต่ความหูนิพพานแล้วถ้าหากว่าสลับกันความหูในความคืดในความหูในความคืดนี้มันก็สลับกันไปวัฏสงสารกับนิพพานก็สลับกันไปแล้วแต่ตัวใดเก่ไปตัวมากช่วงใดความหูมากก็เป็นนิพพานช่วงใดความคืดมากก็เป็นวัฏสงสารสลับกันไปหมุนก็ไปเรงสิแล้วตัวหนึ่งเกิดตัวนึ่งดับตัวนึงเกิดความจริงชีวิตเท่ามาจากการสองตัวหรือการเกิดและการดับสองตัวเท่านั้นนะ ทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่าตัวดับนั่คือตัวพลังงานเอเนจีตัวเกิดคือตัววัตถุคือโมเลกุลตัวโมเลกุลกับตัวเอเนจีนี่ยสองตัวถูกกันเกิดเป็ตัวดับมาประกอบกันสองอนุเนี่ยมาประกอบกันมันจะกลายเป็นอนุภาคขึ้นมาอนุภาคตัวนี้จะกลายมาเป็นภาคเป็นวัตถุขึ้นมาในจักรวาลเนี่มันเกิดมาจากตัวสองตัวนี้เท่านั้นตัวเกิดตัวดับ พระพุทธเจ้าบอนว่าแยกเอาเศษตัวหนึ่งซะถ้ามาอยู่นงการมันถูกบ่ลแล้วเชียวมันไปจบแยกออกตัวหนึ่งเพื่อนให้เหลือตัวใดเพื่อแยกตัวใดออกพฟูญ่สุขฮ่าๆน่ๆตอบบทถือแล้วนักเล่นเกาด้วยน่นักเล่นเกาฟูญัยได้ยินอยู่มันบอตัวเกิดกับตัวดับเนี่ยได้ยินอยู่เนาะพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลือกตัวใดเลือกตัวเกิดเลือกตัวดับ เลือกตัวดั บ, ด บ, ดบนี่ภาพมันแปลว่าดับไฟก็เกิดไฟเกิดให้หนึกถึงไฟไฟมันเกิดแล้วมันห้อนเป็นบละไฟดับเราเป็นอย่างไรมันเย็น น, ะนี่ภานคือดับไฟไฟในตัวห้องมีเจ้ากล่องมาไงว่านะี่สามกล่องอย่าไปว่าหลายกล่องกล่องราคะกล่องโพสะกล่องโมหะถ้าเป็นของโยมเป็กล่องโลภะ กองโทษซักองโมหะถ้าเป็นความนักบวชก็กองราคานักบวชนี่ตัดราค่ายากเดิพ่อยังพ ร, บบราะว่าบวเดชคือสวบานก็ต้องมาสู้กับราคาเจ้าของนี่เป็นไฟอ่าแล้วก็โทษซละโทษะเกิดจากอะไรเกิดจากความราคะโลภะบวเดยงังบวเดตอบสนองคนจริงตัวราค่าดูโลภะตัวเดียวนี่ดิเมื่ออยากได้บวเดตามที่ต้องการ โทษซมันเกิดเมื่ออยากหักมันเบิดตอบสนองความหักที่ต้องการโทษซะมันเกิดเมื่อตัดราคะได้ลโทษซาได้บุเกิดเมื่อตัดโลภะได้ก่โทษซก็บเกิดนี่ตัวเกิดขึ้นตัวเดิยวขึ้นตัวราคาตัวโลภะถ้ามีโทษซเกิดแล้วโมหามันก็มา้าหลวงพ่เทียนเบวาจังสี ไอ้เ <c oughs> จ้าความพ่อใจบอกพ่อใจเนี่ยมันม้วยคู่หนึ่งในใจเขาเนี่นะสู้มันมีอยู่สองคนนี่แหละเอาบ่าเอาชอบบ่ชอบมักบ่ามากักพ่อใจบ่พ่อใจหักสั้นอยากบ่อยากสู้กันสองตัวนี่นมาจากบ้านมานี่ไงสองจิตนี่ก็สู้กันได้เมืนบ่ตัวหนึ่งอยากมากตัวหนึ่งบ่อยากมากก็สู้นในที่สุด ต, ตัวอยากมากเนี่ย ชนะเขาก็ได้มากมืนบอกแต่ตัวบริยากมาชนาดเขาจะได้มานั่งอยู่นี่วะบริมากนี่เขาชนะทุกคนนี่นี่มาเนี่ยชนะความอะบริยากมาดใดเสร็จแล้วเวลาเขาปฏิบัติเขาจึงมาตัดกิเลสสองตัวตัดอย่างอาพิชาคือความมักโทมุนัตคือความบรมักนี่แต่สําหรับโมหะปืนวาเหมือนก็นั่งมวยสองคนชกกัน ไอ้โมหะเหมือนคนคนเบิงกับกรรมการน้ามวยสองคนนี้ถ้าบ่มีกรรมการบ่มีคนเบิงมันจะโชคกันเป็นบ่ฮะมันจะโชคกันเป็นบ่บูบ่แล้วบ่ชักโชคให้ผู้ใดเบิงแล้วมันบ่ละคือกันสองตัวเนี่ยตัวพ่อใจบ่พ่อใจถ้าบ่มีโมหะมาเป็นกำลังมันมันพอดีกันบ่เป็ี่นแล้วมันคัดกันบ่เปลี่ยนนั่นมันพ่มีโมหะโมหะแปลว่ายังดังนั้นเขากับ ปฏิบัติเพื่อจัดการกิเลสสองตัวดีเดอร์บ่ญเป็นหลายตัวเด้อจำได้บอกคนอย่างตัวใดตัวพ่อใจบ่พพ่อใจตัวคัดใจตัวดีใจตัวเสียใจตัวมักตัวบ่มักสองตัวนี่แหละเวลาคนบอกคนอยกายงกายยานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินัยโลเกออะภิชาโทภนาสั่ง อันนี้พระุทธเจ้าพูดบอกได้โมเมนตพราว่างเวทนาสุเวทนานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปชานเสติมาวินายโลเกะวิชาโอมนาสังจิตเจจิตานุปสีวิหรติอาตาปีสัมปชาโนเสติมาวินายละเกอภิชาโอมนาสังธรรมเมสุธรรมานุปสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนเสติมาอภิชาโอมนาสังนี่แหละพูดบอกว่าจังสี่ ให้มีสติพิจารณากายเวทนาชิดอารมณ์ด้วยสติสัมปชัญญะอตปีสัมสติมาสัมปชันสัมปชานู ส, นสติมาด้วยสติสัมปชัญญะจากนั้นสู่เจ้าจะตัดความพ่อใจบ่พ้อใจได้ทั้งมเมื่อตัดความพ่อใจบ่พ้อใจออกได้แล้วกิเลสทั้งหลายถูกตัดหกัก ถูกตัดหักไปซูมซูมทุกครั้งที่เขาใดสติสัมปชัญญะหักกีเดกสั่นเขาเฮียนเขาเที่ยนึงอ่ายนิ่มใดเพ้อคิดไปหักของกีเดกงอกไปอีกน้อยนึงอ่ายนิ่มใดใดสติขึ้นมา ก, ะากอะหักเขาเกี่ยถูกตัดไปน่อยนึงที่ที่เขาอยู่กับบ้านเนี่ระวังตัดกำงอกนะในห ล, ลายกาองอกเพื่อคอยใส่ระบุน้นหนึ่งวันหึงมันยาววันนึงน้ำหาง บ, อ บ, อบ่อหอนมันงอกมาดังแต่มันเกิดนัึนบอ ออกเรื่อยๆจนมาปันนี่จะมาตัดเนี่ยมันตัดเมื่อเดียวมันจะมดบ่ถ้าตัดเป็นมดเด้ถ้าตัดเป็นคือตัดกกมันถ้าตัดโบเป็นไปตัดไส่ตัดปลายมันโบท่านโอยสาดีทางสันมันหากมันยาวฝุ่นมันต้นมันอยู่นี่หากไปหอดหอกฝุ่นหรืองลาวมึงไทยฝุ่นมันบ่หอกไปหอดฝุ่นเด้มึงเทีกัไปมึงฝรั่งกฤษ ไปเมืองญี่ปุ่นไปเมืองแค่ไดา่าไปทัวร์มันงอกไปฟอนฝุ่นอะไรตัดมันทันบ่อ๋อมันงอกไก่ปนนั้นดิโบเมนเดียวไก่ไก่คือหกักเผาหักตานได้เป็นบ่เพราะฉะนั้นเมึองจะงอกเหย้าไปใส่ไก่ตามกูตัดตัวนี้ดลพวตัวนี้ดลมันบ่เหย้าประเด้ตายมัดได้บนนี้มันบ่ตายมดเอายังมาตัดเอาสปัญญา ปัญญาเกิดอย่างเกิดสติมาสัมปะสัมปชาโนสติมาเฮ็ดอยู่สองตัวเดลยวเฮ็ดสติมาสัมปชาน่เนี่ย He เฮ็ดอยู่สองตัวนี่เฮ็ดไปเฮ็ดไปปัญญาไม่ค่อยเกิดปัญญาเกิดตอนใดตอนที่เฮ็ดขึ้นห้องตัดพับหลดุดมันขึ้นตัดพับหลดุดนั่นแสดงว่าปัญญาเกิดแล้วแต่ถ้าเฮ็ดไปเมืดมือขึ้นตัดโบเป็นตัดความคึบบ้นโบเป็นแสดงว่าปัญญาโบท่านเกิด ปัญญาเกิดตอนมันคิดหูจะคิดอ้อคิดตัวไหนตั้งปัอบหลุดก็จะบงงดีหลวงพ่อบอกวังหันว่าความคิดกับความหูตั้งกันพอกจําได้อยู่เนาะความคิดกับความหูจําได้บะที่หลวงพ่อบอกวัหันเข้าใจวะตั้งกันยังไนงหลวงพ่อมาฟังเนาะขอความเข้าใจถึกต้องความคิดกับความหูตั้งกันยังไงคิดไปเลยอ่าคิดไปเลยกินแล้วหู่เลย คออรับฮาไปคิดเลยเจ้าก็ว่าเป็นหลายสูตรเดียวใส่สูตรเดียวมันก็มันก็บวกว้างเลยไว้เนื้อความขืดคือตุ้มหัวความหูคือตุ้มดีส่นะมันบอกตุ้มดีนี่ใส่น้ำเตียมมันก็ขึ้นเต็มเมืนบอกมันบได้ติลอีกได้แต่ตุ้มหัวเดตืินไปหมดมือก็บรเต็มเพราะฉะนั้น ถ้าห้องหูว่ามันความขึ้นไหลไปแม่แล้วนั่นคือเขาต้องตัดทันทีแต่ถ้ามันเป็นความหูขึ้นอยาะสมมติเรายกมือหูจบนั่งนี่มันนักแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็หูวความนักหายไปจบบริขิจรอได้ความนักแต่สมมติเราปล่อยนักอยู่หันเรื่อยความนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนักกลนขึ้นเรื่อยผู้มานั่งทรมานอีอย่างนี้ว่ะ ขึ้นไปเราบอกขึนหน่อยขึ้นง่ยล่ะจะไวบ้านหนึ่งขึนหน่อยขึ้นง่ตัดนะถ้าสมมุติว่าเขาบ่มีปัญญากระโอ้ยคิดไปทั่วร์แล้วมันนี่ถ้าเกิดปัญญาอ้อนมันความขึ้นด้วเนี่ยตัดพวลงไปกลับมาอยู่ข้อมือเอาใจมาอยู่น้ำข้อมืออีกอยู่ไปสักภักนึ่งอ้าวคืนนี้เขาก็งูท่านอีกความคึ้เขาไปห้ามมันบม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติความขึ้นมันเกิดมาจากอณิจังทุกขังอณตา ถ้ามันเกิดกำลังกายมันออกมาเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเค้งถึงเจ็บปวดถ้ามันออกมาทางใจมันออกมาเป็นความคืนเด้ทีมาาของมันคืออนิจังทุกขังน่าตาถ้ามันไปเกิดกับใจมันเปลี่ยนอนิจังทุกขังน่าตาเมาเปลี่ยนเป็นราคะโทสะโมหะสิเด้มันเปลี่ยนตัวเลยเด้อมันบอกถ้ามันอยู่กับกายมันเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเห็นความสบายนะ แล้วเมืเห็นความคุ้มบไดใดนบไดใต้องเปลี่ยนแปลงจากมันเป็นอนัตตานี่ร่างกายมันอยู่ซ้านี่แต่ในช่วงที่เฮามันเปลี่ยนแปลงก็ดีตอนที่มันนักเป็นทุกข์ก็ดีตอนที่เฮาชีพเปลี่ยนแปลงก็ดีเฮาบอกสติสัญญาไปตามลู่มันจะเปลี่ยนโดยเป็นความมักบ่มักดนนั่นไปเปลี่ยนเป็นกิเลสแล้วแต่ตอนเป็นอนิจจังทุกขังกัอนัตตากับกายนี่บอเป็นกิเลสได้เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติต้องแก้ไขธรรมชาตินี่ต้องรู้ธรรมชาตินี่ต้องเข้าใจทุกต้องกําหนดรู้เห่นว่าคือต้องรู้ต้องเข้าใจต้องวิเคราะห์ต้องวิงวจัยต้องเข้าใจมัน่นแล้วก็แก้ไขมันสะสมุทยัยคือแก้ไขออกไปเมื่อแก้ไขออกไปแล้วนี่โลดกับปรากฏการที่เข้ามาแก้ไขทุกกําหนดหูทุกดูดูสู้เถือนั่นมันเป็นมัดเด พอแก้ไขเอาความนักความนุ่งความทงความทับความบอสบายใจออกไปมันเป็นนิโรธเพราะนั้นทุกสมุทัยดาเหตุมันถือ้องมันก็กลายเป็นนิโรธกับมรคนิโรธกับมรบน้องไปเหตุมันอีกเว้ยเนี่ยเหตุแต่ถูกกับสมุทัยถือ้องมันกลายเป็นนิโรธกับมรของมันเองให้เข้าใจได้บอกมึงนี่ยาเล็กเข้าใจไปเข้าใจเนาะเป็นนักเรียนเก่าอะ ถ้าบ่เข้าใจกับปีหน้าบ่นมาอีก<ม>เฮียนตกซ้ําซั่นอะไรนะด้วยําซั่นพู้ียนบุญสอนเท่านี้แหละบ่ไปไกลแต่เฮียนกันมาตั้งแต่นุ่มใจสาวจนหัวซูมมือนีนบางคนก็ยังคือเกาอยู่บุปเวียนแปลงเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันบดหูคือบางที่ฟัง่งซื่อๆนะฟั่งบนกับรอย องพระองค์ฟังแล้วกับบริหิษน้าทำตางฟังแล้วก็ฟังซื่อฟังไปหอดสารหน้าก็คือเราเพราะเขาบริหิษน้าทำตางแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจล้องเอาไปเหตุตอนที่มันจะเป็นความหูของเขาตอนที่เขาไปเหตุโดยความเข้าใจบนเด่ตอนที่เพื่นน้ำมอวัาให้ฟังเขาเข้าใจดีปรนได้ก็แก้ไขกิเลสเจ้าของบ่ิได้เพราะมันบริได้ทำด้วยตัวเองมันเป็นปัญญาของเพิ่น นี่ยแล้นั่นเท่าไาร่นี่คือมาเห็ดเอาเลยมาเห็ดเอาให้เข้าใจอาตาปีแม้ว่าขยันเห็ดอัตาปีเนี่ยขยันเห็ดขยันทำมันเบื่อย่างก็เดินมันเบื่อเดินกันนั่งเบื่อนั่งกันนอนเบื่อนอนก็ยืนเบื่อยืนกันสลับกันไปขน่ะยืนเดินนั่งนอนอืมแต่ในป่านี่บอกให้อนุญาตให้นอนป่านเองเนาะเดี๋ยวป้าพาเอาเนี่ยมานอนชงเถิงนี่ เข้าใจนะว่าเอาไปเหตุไปเหตุหาความสบายความสบายในตามลักอริยมรรคก็คือแก้ความบวสบายนั่นแหละแต่แก้ความบวสบายถูกต้องความสบายมันเออเกิดมองนั่นแก้แล้วมันก็หายมองนั่นก็เป็นนิโรธนะนี่เกิด อ, อริยสัตซีด้วยการปฏิบัติสติปัฏฐานซี สติประฐานสี่คือกายเนี่ยที่เขานั่งเนี่ยการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเวทนาเขานั่งอยู่นี่เป็นยังไงสบายบ่นมมออะมือยบ่เอามอยขยับลุกมีเวทนาคือเวทนาเป็นทุกข์ต้องบำบัดเซนด้แต่การเคลื่อนไหวมันบม่เป็นทุกข์หรอกแต่ไอตัวฐันหลับคือเวทนานี่ยมันเป็นทุกข์ต้องบำบัดแก้ไข การเข้าไปบับแก้ไขทุกขเวทนาอย่างหูเนื่อหูตัวเดอเอิร์นวะตัววิปัสนาเห็นคักแล้วว่าบริสบายเห็นคักคักวิปัสนาไปว่าเห็นคักคักหูคักคแล้วเข้าไปแก้ไขไปบำบัดให้มันสบายพอความสบายเกิดขึ้นความทุกข์หายไปความสบายกายเกิดขึ้นกับเป็นนิโลธทั้งกายอืเป็นนิโรธทั้งกายพอจัดการนิโรธทั้งกายเปลี่ยนมันก็บไปเกิด กิเลสทั้งใจเพราะไม่ไปเกิดกิเลสทั้งใจคือความหมักบ่มักปั๊บเฮ้ากับ อ, อสัสปัญญาเขาตามเข้าไปตัดเข้าไปดับปัญญาวิปัสนาเออวิปัสนญาณตัวดีเข้าไปตัดเอนวิปาาัสนญาณคือเห็นแล้วเขาไปตัดเออวิปัสนาญาณตัดเอาหนังตัดเอาความหมากักบ่มักนี่ออกไปตัดเอาความหลักความสั่งออกไปตัดเอาความทิฏฐิจใจหรือว่าต้องใจนี่ออกไปให้เมือแต่ความ หูซึกซือซอซอเอื่อนมาอุปขาเพราะนั้นเ้าเอาใจว่างๆใจหูซึกว่างๆเป็นอารมณ์ตัวที่เอาจิดว่างๆเป็นอารมณ์เนี่เอื่นว่าตัวปรามัดเป็นอารมณ์เป็นวิปัสสนาอันนี้จะลึกไปสำหรับคุณใหม่เนาะแต่สำหรับคุณเก่าจะเข้าใจอยู่ใน เ, เวลานี้ซิมาที่ให้เวลาถามปัญหาบ้างนี่ ให้เวลาถามขอค่องใจเรื่องใดก็ได้ที่เขาคลองใจขึ้นนี่นอนบรรบพ่ออย่างขึ้นนอนฝันพ่ออย่างนอนใกล้มูหลงพอมูคุยกันฮะแต่ฝันมันไปชีวบนห้องเป็นยังไ้ก็เป็นอย่างสุดอ่ามานอนบรรบในมูคุยกันนะปเด็นว่า มูคุยใช่ครับท <c oughs> ี่บว่ามีแมวหลายตัวคู่กันไปคู่กันมาน่เนาะอ <c oughs> คู่ผู้นั้นกับคู่ผู้ดีผู้ดีกัคู่ผู้นั้นคนที่รับว่องรับไว้ตื่นไหวก็เลยนอนบนรับอันนี้มูคู่กันไปคู่กันมาเขาก็เลยเป็นผล่ฝอยใดเลยนอนบนรับนี่สาคัญ <c oughs> ผู้ใดผู้เูเจ้าของว่าคู่มูแห้งกันใหญ่ไปนอนไกล้ๆมูจะได้ไม่สั่ง <c oughs> ก็เคยลูกไปขยรเยาไปยังนี่เนาะนอนโกรธนบนเศร้าเยื่อเทียนผู้ที่มันนอนนอนรับอย่างเลยก็นอนคนนอน่าขาขอโทษเด้อคนนอนโกรธอ่ามันนีปมไม่แฝงโกรธจ้มกรธเจ้าคนี่ออขึ้นโกรธอาจจะได้หามไปข้างนอกล้วเนาะหามไปนอนข้างนอกแล้วนะ่าม่แฝงโกรธแต่มึงพู้ใส่โกรธดิโอทวนทวนเล่นเนาะผู้ดใดกรนแห้งหามออกเลยมือมือขึ้นเนี่ย อาหามเลยท่านได น, น่่ได้ยินเสียงคนลวดีเสียงโกเจ้เาของแมน่นไอไหมวาฝันว่าได้โกลพ่อมเดิฝัน่านนได้โกลพ่อหาหม่ อ, อ, มองไหมคนที่ชอบคู่มูในเนี่ยหาหม่องห้างห้างมูนอนข้างล่างเบื่อได้อนอนผู้เดียวเพราะฉะนั้นก็คนที่นอนรับอย่างนี่ก็พอได้มียังมาต่องน้ย่ยนู้น ตื่นนอน้อนอนรับที่นอนรับยากคนใดที่นอนรับยากะพยายามม่าแยกไปนอนหางหมูเสือกระได้ไปนอนน้าหมูหน้านี่ได้นอน้าหมูเยอะมาก่างทอยากกันเลยรับโกนใช่หมูบึงๆเลยเว้ยบ่งโกนเนี่ยจะเป็นหัวจักนลยเจ้าของโกนนะฮะอะอะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะเะฮะฮะฮะฮะฮะะฮะฮะ มากก็บอกว่าอัดไว้ให้แน่ยจ้าเจ้าบกูนแห้งส้มใดนะะลักอัดเอาไวน้นี่จะธรรมดาเนาะมันเป็นอนี้จังทูกข้างห น, น้าตาคือว่านะครบคุ่บวไดนมันเป็นหน้าตาบัครับบัญชาบวเดมเขาก็พยายามดูแลเาเห็นเรียกไม่ลาทุกคนนอนบนสนิดเนาะมีบอื่นนอกจากปัญหาเรื่องนอนบนลำเนา มาจากใสอื brasile, มันมาจากอนิีจังทุกขังนันตาจําสูตร Hyundai, มันไว้มันบอกพิสูจน์นี่เลยถ้ามันปรากอบทั้งกายมันออกมาเป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยมันบออันนีจังทุกขัางานั้ถ้ามันปรากอทั้งใจมันออกมาเป็นความขึ้นที่ดีเฮาอย่าตัดความขึ้นได้ยังไงก็ต้องมาตัดโดดเจ็บโดดปวดโดดเมื่อยร่างกายพี่มาแก้ไขร่างกายมันหูซึกมือคับความขึ้นมันก็จะถูกตัดแต่การเฮาไปหูจักแก้ไขทุกท okay. ั้งกายบริชัดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นความขึ้น พรอยามันมีตีไปที่มาได้บนไม้มันเกิดขึ้นเลยร้อยๆเดยพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเหตุบ่มีอยังเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีเหตุความขึ้นเร้อยๆมาจากไสบุบบ่มันมันมาจากไก่น่ะกายที่ห้าบดได้เบิองได้แงงบดได้ปัดได้เปลี่ยนบดได้ปั c, บบดไดให้มันเกิดความพอดีย่า่สองคนยุตทธรรมแล้วฟังภาษาเขาออกบ่ย่ะฟังออกบ่ฟูมาใหม่นะ ใชฟังออกเราสคนหลังจะให้หลวงพ่ออยู่น้าก็ได้หลวงพ่อจะอธิบายให้เข้าใจหลวงพ่จะให้ทุกคนน่ยฟังแล้วเข้าใจแล้วไปเห็นได้มันจะได้ได้ดวงใจเห็นธรรมนั่นแหละเพราะได้ดวงตาเห็นทรรมแล้วมันจะบุญยากได้หมดนี้มันหูชักว่าทุกกายมาจากเงี้ทุกใจมาจากเงี้ยจะแก้ทุกกายได้อย่างไรจะแก้ทุกใจได้อย่างไดรจะแก้ความขึ้นได้อย่างไรมันจะหูชักหมดถ้าจะเห็นได้บุญอะอีกเรื่องหนึ่งเด้แต่หูชักหูจักวิธีแล้ยนะ นะมุจักวิธีแหะส่วนเ้าจะแก้ได้เพราะนั้นเขาว่าได้ดวงใจเห็นทําหูห้จักวิธีดับทุกแต่ดับหมดหมด อ, อ, อ, อ, อีกเรื่องหนึง่งเดอยู่ที่ว่าเขาจะดับได้บมดได้อีกเรื่องหนึง่งแต่หูจักวิธีคล้ า, ายาหูจักอวิธีอทําอาหารนี่สินะหูจักอ่านเข้าใจบดหูจักแกงอันนี้ใส่อันนี้นี่แต่แกงออกมาแล้วจะแซบบวแซบอีกเรื่องหนึ่งเนี้ย เฮ็ดได้แต่แสบพอแสบอีเรื่องนึงกินได้บ่ได้น่ะ <c oughs> คนละยากนั่นอเองวะเฮ็ดได้ก็กินได้นี่กินได้ไ่ก็กินแล้วมันแสบมันนัวเออกินได้โอ้เฮ็ดก้าวเข่าอย่าได้กินบ่ได้เลยว่าเข้มทึ่งเข้มทึ่งเผ็ดทึ่งอ๋อนี่เขาเรียกเฮ็ดได้แต่ว่ากินบ่ได้นี่นะฮะอันนี้คือกันเด้่ยผู้ใช้วิธีดับทุกอยู่จะดับเป็นบ่เป็นอีกเรื่องในปัญญาของพระองมันได้สอนกันบ่ได้ปัญหาสุดท้าย พอสุดท้ายสู้เชื่อหรวงพ่อ่ากไปเราให้บูเจาถามเพื่อจะไปเห็นมือมือหลวงพอว่อบนได้ว่าอีกเด้